ก็ได้พูดไปแล้วในเรื่องขันทั้งห้ามันเป็นทุกข์เมือเ่อไปยึดมัน่นถือมั่นกับมันเมื่อขันนั้นเป็นเป็นที่ยึดมัน่นหรือถูกยึดมัน่นเราไปเรียกอุปาทานขัน เพราะนัว่าอุปทานขันตั้งหาเป็นตัวทุกข์นี้ก็มีความหมายเจาะจงว่าเมื่อขันนั้นถูกยึดมั่นสำคัญหมายก็จะไปบีกขันให้กับผู้ที่ไปยึดมั่นนั้นพอในงานใ่แล้วก็ที่มัน บีบคั้นให้กับผู้ที่คิดมันเพราะเพราะตัวมันเองก็อยู่ภายใต้ความเสื่อมสลายตัวมันก็มีการบีบคั้นขัดแย้งกดดันข้างในเองตั้งแต่ระดับ ใหญ่ระดับรวมไปจนระดับเล็กอย่างที่พูดเมื่อวานถึงเรื่องอะตอมทมี่ในอะตอมเองมันก็มีความเสื่อมสลายแตกตัวอยู่ตลอดเวลาเร็วบ้างช้าบ้างอันนี้เรียกว่าการที่มันตกอยู่ภายใต้ความบีดคั้นขัดแยง้งกดดันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ พวกนี้ก็มีความหมายสองแง่ทางในแง่ที่ว่ามันอยู่ในภายใต้ความบีบคั้นในตัวมันเองแล้วมันก็ไปบีบคั้นคนอื่นด้วยหรือไปบีบคั้นสิ่งอื่นโดยเพราะคนที่ไปยึดถือมันในความบีบคั้นกดตันหรือทุกข์เนี่ย ที่เรียกว่ามันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งเนี่ยอันนี้เราเรียกทุกประจําสังขารอันนี้เขาจะใช้คําว่าสังขารและทุกขตาทุกประจําสังขารคือว่าสังขารทุกอย่างไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมก็มีทุกชนิดนี้คือ อยู่ในอยู่ภายใต้ความกดดันอี้ขั้นแล้วก็พร้อมจะเสื่อมสลายแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งพวงมันไม่ใช่ปัญหา ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราไปยึดติดถือมั่นกับมันยึดติดถือมั่นให้มันเที่ยงให้มันคงที่ให้มันคงตัวให้มันอยู่กับเราไปตลอดหรือว่ายึดให้มันเป็นไปตามใจเราหรือว่ายึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา อันนี้คือปัญหานั้นปัญหาอยู่ที่ความรู้สึกของนิท่าจีของเราต่อสิ่งนั้นสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างตัวมันเองไม่เป็นปัญหามันเป็นธรรมดามันอยู่แล้วแต่ว่าพอเราไปยึดมั่นถือบ้านมหนก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมา แม้ว่าแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขหรือสุขเวทนากันเราทรัพย์สินเงินทองร่างกายนี้อาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหรือว่าความปิติเวลาเรานั่งสมาธิเราเกิดควาสมสงบเราเกิดปิติ เกิดสุขเวทนาขึ้นนะแต่สิ่งเหล่านี้พอเราไปยึดมันเข้าเราก็องเตืนตัวทุกเดืนเลยเพราะว่ามันก็จะแปรเปลี่ยนไปมันก็จะเสื่อมสลายไปแล้วก็เปลียบเ้าจะเปลียบเปลียน การ ม, มาสุขหรือสิ่งนี้ให้ความสุขแก่เราว่าเหมือนกับคบเพลิงที่ทำด้วยยาแห้งเมื่อจุดไฟมันก็ให้ความสว่างก็จริงันแต่ว่าถ้าไม่ไม่รีดวางไม่รีดปล่อยมันก็จะไหมมือไม่แขนไม่ตัว อาจจะเป็นอันตรายถึงตายได้คือมันมีประโยชน์ก็จริงนะการมาสุดแต่ว่ามันก็มีโทษโทษก็คือทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่ปล่อยมันก็เผามือเราปัญหาคือตรงนี้แหละคือไปจับมันไม่แน่นไม่รู้จับ ไม่รูจักปล่อยปล่อยอันนี้นี่นั่นหมายถึงปล่อยที่ใจนะหมายว่าเราจะใช้ใช้สอยมันยังไงก็ได้แต่ว่าใจเราก็ก็ตระหนักดีว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่ไม่คงตัวตถ้าเราใช้สอยมันอย่างนี้เนี่ยก็ปลอดภัย คือปลอดพ้นจากการบีบคั้นของมันไม่ถูกมันบีบคั้นเพราะทุกนี้กูบอกอยู่แล้วว่ามันแปลว่าสิ่งบีบคั้นตัวมันเองก็ถูกบีบคั้นจากอะไรต่ออะไรมากมายรวมทั้งปัจจัยภายใ น, นในขณะเดกมันก็ไปบีบคั้นสิ่งอื่นที่อยู่ภายนอก ่วมทั้งคนที่ไปยึดมันถือมันจบมันด้วยก็เหมือนกับกลับไปที่คบเพลิงที่ทำด้ยากสมมุติมันกาลังไหม้อยู่นี่แทนที่เราจะจับมันหรือจับมันไว้แต่เราก็ปล่อยมันพอปล่อยมันเนี่ย มันก็ไหมไปมันก็ไม่ของมันจนกระทั่งเหลือแต่เท่ามันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราเดือดร้อนอย่างนี้เราไม่เป็นปัญหาเป็นปัญหาต่อเมื่อเราจรับมันเอาไว้จนกระทั่งเหมือนไหมถึงมือมันเป็นปัญหาแต่ถ้าว่าเรารู้จักวางมันได้ วางได้คือวางคิศใจแต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับมันอยู่เกี่ยวข้องกับมันใช้สอยมันแต่ว่าไม่ไม่ยึดติดถือมัน่นว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปนานๆหรือว่ามันต้องเป็นอย่างที่เรานึกไม่ยึดมันเพรามันเป็นเรา เ, ราเมันก็ไม่ถูกอะไรเมื่อไร่ก็ตามที่เรายึดมั่นถือมันว่ามันเป็นของเรานี่ เราก็จะกลายเป็นของมันทันทีเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของมันตกอยู่ในอำนาจของมันในหลายลักษณะเช่นถ้าเงินเป็นของเราพอเงินหายเราก็ทุกข์ยิ้มยิ้มไม่ได้นอนไม่หลับทองถูกขโมยไปหรือว่าถูกโกงเงินไป เวลาถูกไปไหนดึกเดินมีคนจี้เอาเงินก็ห่วงแหนเงินไม่ยอมไม่ยอมให้เงินเขาสู้ก็เลยสู้ขเขาเขายอมตายเพื่อรักษาเงินเอาไว้อันนี็เรียกว่าเราเป็นทาสของมันมันเป็นนายเราเรายอมตายเพื่อมัน มีเศรษฐีบางคนก็หาเงินมาตลอดจนกระทั่งเครียดเป็นความดันร่างกายก็มีโครคภัยไข้เจ็บเยอะโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานโรคไตแสนที่จะพักแล้วก็ใช้เงินทองที่มีเพื่อเลี้ยงตัวให้สุขสบาย กลับทำไม่ได้จะต้องคิดเรื่องการหารเงินในหัวนี่คิดแต่ว่าเออจะซื้อที่ตรงไหนดีเพื่อสร้างศูนย์การค้าจะซื้อหุ้นตัวไหนดีไม่ได้พักเลยอายุยัจ็สิกว่าแล้วยังก็ยังคิดแต่เรื่องการหารเงินอันนี้แสดงว่า เงินมันเป็นนายเคนละหรือว่าเขาเป็นทาาของเงินเงินไม่ใช่ของเขาเขาเป็นของเงินไปนแล้วคือเป็นทาาของมันหรือว่าอยู่ในอำนาจของมันอันนี้ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าสิ่งที่ควรทําำคือว่า เวลเกี่ยวข้องกับมันก็เกี่ยวข้องกับมันแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์อันนี้พระเจ้ามนเปรียบเหมือนกับเนื้อหรือว่ากวางป่ากวางป่าที่กินหญ้าขณะที่ปลายก็พยายามที่จะดับด้วยการวางบ่วงเอาไว้แต่ว่ากวางป่าตัวนี้ ก็เพียงแต่นอนทั บ, บ่วงแต่ไม่ได้ถูกบ่วงนินดักเอาไว้ขณะที่กวางป่าจำนวนไม่น้อยเนี่ยไปหาย่าเส็ก็ติดบ่วงติดบ่วงนี่ก็เสร็จนะพรายก็จับไปใหค่า แต่ความฝป่าที่ฉลาดก็ไม่ติดบ่วงเพียงแค่นอนทับบ่วงเอาไว้อันนี้ท่านกำหมายถึงคนที่เกี่ยวข้องกับการประสุข์แต่ว่าไม่ตกเป็นทาสของมันนอกจากเรื่องการประสุข์ที่มันเป็น มันเป็นมันเป็นสิ่งของหรือรู ป, ปรขันท์ที่จับต้องได้แล้วนี่ให้สิ่งอื่นที่มันเป็นนามาทําก็เช่นเดียวกันความสุขความรอร่อยตัวม่ถึงความรู้สึกนึกคิดทั้งกุศลและอกุศลด้วย ตัวใจสมานสงการการไม่ทุกข์การปล่อยวางในเวลามีความโกรธความเครียดเกิดขึ้นก็ให้จมหายเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้น อันนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าวางปล่อยวางมันเกิดขึ้นก็รู้มันรู้ด้วยสตินะรู้ด้วยสติเมื่อมีสติรู้มันก็ใจมันา็ไม่เข้าไปยึดในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นก็เป็นสิ่งถูกถูกปรุงแต่งสิ่งถูกปรุงแต่งก็แปลว่ ม, มันเกิดจากเหตุปัจจัย ความโกรธนี่เกิดจากเหตุปัจจัยเช่นตาเห็นลูกหูดินเสียงคำด่าคำวิจารเห็นการกระทําที่ไม่ถูกอกใจแล้วมันมีการให้ค่าว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าสัญญาเป็นสัญญาอย่างหนึ่งแต่เป็นสัญญาที่เจอที่กิเลสด้วยวิชา ก็มีการให้ค่าไปอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีตีค่าตีความว่าอย่างนี้สวยอย่างนี้ไม่สวยอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดปรุงไปตามกิเลสหรือว่าตามที่อบรมสั่งสอนมาซึ่งมันเป็นของสมมุติ เห็นเห็นขี้หมาเราก็ให้ค่า ว, ว่ามันไม่ดีน่าเกลียดเมื่อเห็นเข้าใจก็ทุกข์แล้วก็อาจจะปรุงแต่งต่อไปว่าทำไมมันเกิดตรงนี้ได้คนใช้ทำไมไม่ดูแลให้ดี ก็จะไปโกรธคนใช้คนดูแลอันนี้ว่าความโกรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาคื อ, อมันประกรอบด้วยปัจจัยแต่ในระลาเดียวกันมันก็สามารถจะไปปรุงแต่งจิตใจของเราได้ปรุงแต่งทำให้คิดฟุ้งซ่านต่างๆเช่นหาทางแก้แค้นอยากจะลงโทษ หรือว่าบีบคั้นให้เป็นทุกข์แต่ว่าเมื่อเรามีสติเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจมันก็ทำให้หยุดปรุงแต่งต่อไปแทนที่ความโกรธที่จะไปปรุงแต่งให้คิดหาทางเล่นงานตอบโต้ หรือทำร้ายมันก็หยุดตรงนั้นแหละอาจจะเหมือนกับล้อเล้อที่มันฟรีล้อที่มันฟรีมันก็ไม่ทำให้ให้รถนี่วิ่งต่อไปได้หรือบางทีก็ใช้คาว่าเนี่ยเกียร์ว่างเเกียร์ว่างคือเครื่องนี่มันยังวิ่งอยู่แต่ว่าเครื่องนี่มันยังทำงานอยู่แต่รถมันไม่ไปแล้วมันว่าง คือความโกรธยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่สามารถจะผลักให้ให้คําพูดการกระทําหรือจิตใจเนี่ยเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วท่า น, นี้พ่ออะไรก็เพราะว่ามีสติรู้ตัวมันก็ไม่มีการปรุงแต่งก็ไม่มีการต่อเนื่องเป็นการกระทําคําพูดหรือว่าความคิดที่เป็นสายต่อไปเรื่อยๆ วงจรหรือว่ากระแสมันหยุดตรงนั้นแหละคือมีความโกรธนก็อยู่ตรงนั้นคือไม่ไม่ถ้าพูดตามหลักคือไม่เกิดอุปท า, านขึ้นไม่เกิดพบไม่ปรุงเป็นชาติอันนี้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทแต่ละาพูดง่ายมันไม่ปรุงแต่งต่อไปไม่ว่าเป็นปรากฏเป็นไม่ปรุงแต่งการกระทําคําพูดหรือว่าความคิดจิตใจ เมื่อเป็นชนะั้นความบีกคั้นก็ไม่เกิดขึ้นนสติสำคัญมากในเรื่องของการารับมือกับอารมต่างๆไม่ว่ากุศลหรืออกุศลเพราะว่ามันทำให้ไม่มีการยึดติดมันทำได้กิดการปล่อยวางเรางพอ่องพ่อคำแก่นท่านก็ใช้คำง่ายๆว่าวให้เห็นอย่าเข้าไปเป็น เห็นอะไรเกิดขึ้นก็เห็นทุกอย่างอันนี้เป็นหลักสมคัญ ม, มากในการปฏิบัติเดยเพราะที่เราเจริญสติคือปิติก็ก็เห็นมันสุขก็เห็นมันม่วงก็เห็นมันเครียดก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นถ้าเป็นแล้วนี่มันก็เหมือนกับว่าไปหยุดไปจับไปช่วย เคลื่อนควบเคลื่อนที่กําลังลุกโครงอยู่เห็นมันเฉยๆเห็นกองไฟมันลุกก็เห็นมันแต่ถ้าไม่มีสติมันก็มันกระโจนเข้าไปหรือเมือนกับเราเห็นก้อนอีกก้อนโตโต้ค่อยเห็นค่อยก้อนโตโตนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนนั่นเลแต่พอเราก็ไปแบกมันเข้าเนี่เราทุกข์เลยเราเหนื่อย อารมณ์ต่างๆนี่โดยอพรารนลสไปอกุศลถ้าไม่เห็นมันนะก็ก็ไม่ต่างจากการที่เขาไปแ บ, บกินเอาไว้เราใช้คำว่าหนักอกหนักใจเพราะว่าหนักอกหนักใจนี่มันก็ชี้เห็นว่าที่เป็นทุกข์เพราะไปแบกเอาไว้ไแ บ, บกไว้มันก็หนัก แต่อารมณ์บางอย่างมันไม่ใช่แค่หนักมันเผาให้ให้ให้ร้อนลนก็คืออารมณ์โกรธหรือว่าราคะมันก็เผาใจให้ร้อนรุ่มร้อนอยู่เฉยไม่ได้ต้องกระสับกระสา์นี่เพราะถูมันปรุงแต่งตูวมันบีดคั้นไล่ความโกรธซึ่งก็เป็นสังขารฝ่ายนมามธรรม ในการเจอสติเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีทางนีในการที่คนเราจะก้าวข้ามความทุกข์ไปได้อย่างที่ได้บอกไว้สองวันก่อนว่าทุกข์นี่มันละได้หลายอย่างละด้วยการเสพก็ได้ละด้วยการใช้สอยก็ได้ละด้วยการละเว้นก็ได้ ละด้วยการเจริญก็ได้เจริญจะทำให้มากทำให้มากซึ่งสติทําให้มากซึ่งปัญญาที่เราทําให้มากซึ่งโพดชงหรือสามโพชชงซึ่งมีสติเป็นตัวนำํำแล้วถ้าทําให้ทําเจริญสติเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเห็นแล้วก็รู้ทัน อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจตอนแรกก็ยังไม่เห็นนะ ว, ว, ว่ามันเป็นทุกข์ น, นะหมายถึงว่าจะไม่เห็นว่ามันมีมันมีความเสื่อมสลายดิบคันอยู่ภายในนะจะไม่เห็นหรอกแต่ว่าเห็นแค่ว่ามันมีอยู่ความเครียดเกิดขึ้นแล้วความโปวดเกิดขึ้นมันมีอยู่ที่ใจแต่ก่อนก็ ไม่ทันจะรั่วมันมีก็เข้าไปยึดติดถือมั่นกับมันแล้วแต่ตอนนี้พอรั่วมันมีอยู่ก็ก็ยั้งเอาไว้ไม่เข้าไปไปยึดมาสําคัญหมายหรือไปยึดติดถือมั่นกับมันก็แค่เห็นมันเฉยๆหรือว่าวางระยะห่างจากมันก็ได้มันกับเราวางระยะห่างกับวางระยะห่างจากกองฟืนกองไฟ ไม่เข้าไปใกล้ก็ไม่ร้อนยิ่งห่างเท่าไหร่ก็ความร้อนก็ทําอะไรเราไม่ได้การเห็นก็มีความหมายเหมือนกันคือว่าเห็นแล้วมันก็มันก็ไม่ทุกข์นะโกรธเกิดขึ้นเครียเกิดขึ้นก็ไม่ทุกข์อันนี้ว่าก็เริ่มเริ่มที่จะวางใจเป็นกลางเริ่มที่จะรู้จักวางใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆแล้วก็เห็นมันรู้จักมัน มากขึ้นเรื่อยๆจนนั่งเห็นไปเห็นแ้วก็เห็นว่าเออไอกองไฟไอกองนี้ไม่นานก็ดับไปนะมันก็ดับไปหรือว่าดอกไม้ดอกนี้ที่เราเห็นว่าสวยไม่นานก็ร่วงโรยไปสีที่ไร่หนว่มันสีสวยดูไปสักพักมันก็ มองคล้าไปอันนี้เป็นอนุมามืนกับเวลาเรามองอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าบวกหรือลบพอเราเววแย่าาจากมันดูมันไปก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับมันเห็นว่ามันไม่คงที่ไม่คงตัวคือเป็นริจจังทุกครั้งแล้ว น, นี่ก็เริ่เกิดปัญญาละปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เราดูเราเห็นเห็นอย่างที่มันเป็น คือเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงเห็นสิ่งต่งตางๆอย่างที่มันเป็นก็จะเห็นลักษณะอาการของมันมากขึ้นแต่ก่อนไม่เห็นนะพอเข้าไปเพลิดเพลินกับมันบ้างเข้าไปรวมรังพันตูกับมันบ้างบางทีเราเข้าเข้าไปพันตูกับอารมณ์นะเราก็เข้ไปพันตูกับสิ่ง้วก็ตามเราก็จะไม่รู้จักสิ่งนั้นไม่เห็นสิ่งนั้นชัดเมื่อเรา หนีห่าออมามองไกลๆก็จะเห็นสิ่งนั้นชัดขึ้นเหมือนกับเราอยู่ในศาลาเนี่ยศาลานี้เราก็จะมองไม่เห็นศาลานี้ชัดเราเตี้ยกว่าเราจะเดินออกจากศาลานี้เดินออกหางแล้วก็เดินไกลๆก็จะเริ่มเห็นว่าศาลานี้รูปทรงอย่างไรบางทีดูข้างในก็มองไม่ไมรู้จักรูปทรงมันเท่าไหร่นะ ยิ่อยู่ในตึกอะไรนี่ไม่รู้แล้วรูปทรงของตึกเป็นยังไงแต่พอเราออกจากตึกมาเดิอนออนห่างจากมันไปไกลก็จะเห็นว่าตึกที่มีกี่ชั้นรูปทรงอย่างไรสีอะไรเก่าหรือใหม่เนะเรารู้จักตึกีดีขึ้นเมื่อเราเดิอนออกมาอยู่ข้างนอกอารมณ์ก็เช่นเดียวกันเราไม่รู้จักอารมณ์ต่างๆทงนั้นที่มันเกิดขึ้นกับใจเราแต่ไม่เห็นไม่รู้จักเพราะว่า มันเข้าไปเป็นเข้าไปพันตูพันตูเพื่อที่จะเสรเพื่อเพื่อที่จะเสวยสุขเวทนาหรือพันตูเพื่อขับไล่มันต่อสู้กับมันเหมือนกับนักมวยพันตูกับคู่ต่อสู้เพราะเกลียดเพราะไม่ชอบพันตูมีหลายอย่างพันตูด้วยความรัวความใคร่ด้วยความเสกก็ได้อย่างการพันตูในทางกลาง คือพันตูแบบนักมวยที่ต้องการจัดการกับคู่ต่อสู้ไม่ว่าพันตูในลักษณะไหนด้วยแรงดึงหรือด้วยแรงพักก็ตา ม, มก็ไม่ทำให้เห็นสิ่งนั้นได้ไม่รู้จักสิ่งนั้นจนกว่าจะวางถอนตัวออกมาแล้วก็ดูการดูนี่แหละ อย่างนี้แหละที่เราเรียนวิปัสสนาไม่ดูมาดูบ่อยๆแบบก็เห็นความจริงเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่มันเป็นทุกข์แล้วก็ได้เห็นว่าเออมันไม่ใช่เราแต่ก่อนความโกรธเป็นเราแล้วก่อนความสุขเป็นเราความเครียดเป็นเราต่อมาก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่ถูกดูมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น ยังมีเคยนักปฏิบัตินะยังก็ยังสาวๆอยู่ก็มาถามหลวงพ่อมาปฏิบัติที่สุขโตได้สักสามสี่วันก็มาถามหลวงพ่อําเขียนว่าหลวงพ่อทําไมดีหนูเครียดจังเลยหลวงพ่อไม่ตอบว่าพูดแต่เพียงว่าถามใหม่ถามไม่ถูกพขาก็ได้คิดขึ้นมาแล้วก็บอกหลวงพ่อว่าเออ ทำไงดีหนูเห็นความเครียดมันเยอะเหลือเกินหนูเครียดจังเลยกันหนูเห็นความเครียดนี่มันต่างกันหนูเครียดคือว่าความเครียดเป็นตัวหนูความเครียดเป็นของหนูอันนี้รู้ว่ายึดติดถือมากมันเป็นเราเป็นของเราแล้แต่ความเครียดซึ่งเราไม่ชอบเราอยาจะผักสายก็ออยึดถือ ว, ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยความหลงแต่พอมีสติก็เห็นว่าความเครียกก็อันหนึง่งมันไม่ใช่ตัวหนู อันนี้ก็เริ่มก็เริ่มที่จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและเราเห็นมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่ถูกเห็นมันเริ่มมีการแด่ชัดแล้วเรียกว่าเริ่มเห็นระหว่างเริ่มแยกระหว่างครามงูกับตัวงูแล้วแต่ก่อนครามงูกับตัวงูมันติดกันเลยนะ แต่ตอนนี้เริ่มแยกเออคราบงูก็อันหนึ่งตัวงูก็อันหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อันเดียวกันอันนี้ก็เรียกมันเข้าแบบใกล้ความใกล้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เป็นปัญญาปัญญานี่แหละที่ทัดจะช่วยทําให้สามารถที่จะวางวางวางสิ่งที่เป็นทุกข์ลงได้ เมื่อวางสิ่งที่เป็นทุกข์นั้นทุกข์มันก็จะดีบขั้นเราไม่ได้ต่อไปมันได้แต่เสื่อมสลายหรือมันได้แต่ตกอยู่ภายใต้ความบีบขั้นของมันเองแต่มันดีบขั้นเราไม่ได้เมื่อป็นเช่นนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่นั้นมันก็เป็นแค่ศัตรูว่าขันแต่ไม่ใช่อุปท า, านขันแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดมัน่นถือมันกับมั มันจะเสื่อมสลายไปเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ยึดมั่นกับมันเราไม่ได้กอดมันเอาไว้มันก็ไม่สามารถจะทิมแทงเราได้ไม่สามารถจะบีบคลอนได้เมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นการมาสุขความสุขเราก็ได้แต่เราก็มีความสุขความเพลิดเพลินแต่เราไม่ทุกข์เพราะเราไม่ยึดติดในในความสุขนั้นไม่ยึดติดในสุขเวทนา มันก็ทําทความทุกข์ให้กับเราไม่ได้เปรียบไปของเรานเรากินกิปนะปลากินปลาที่เต็ไมไปด้วยก้างคนส่วนคนที่กินไม่เป็นกินปลาก็ก็ได้ความอร่อยด้วยนะแต่ว่าปลาก็ก้างปรามในปลาไม่มีก้างก็ตามปากก็คือได้ทั้งสุขแล้วก็ได้ทั้งทุกข์บางทีได้ทุกข์มากกว่าสุขด้วยนี่คือธรรมชาติของกามาสุข แต่ว่าพอกินเป็แล้วนี่คนที่กินไปเนียว ก, กิน ก, ก็ได้เนื้อปลาแต่ว่าก้างก็ไม่ตำปากตำคออันนี้พ่อก็รู้จักแยกแยะ ก, ก, ก็ไม่ไม่กินแบบมูมามเขากินแบบระมัดระวังแล้ว ก, ก็มีความชำนาญก็ทุกมันก็ก้างปลาก็ทำอะไรไม่ได้ อันนีนก็เปลี่ยนเหมือนกับคนที่เหมนก็กวางป่านะที่อยู่ในป่าแต่ว่าน่าจะนอนอยู่บนบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงมันก็น่าน่าสนใจนะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเกี่ยวข้องกับสิง่งต่างๆได้โดยที่ไม่ทุกแต่ก็ไม่ได้ว่าลําบากลําบากเลยนะเพราะว่าก็ยังใช้สายสิง่งต่างๆได้ กินอาหารก็ยังอร่อยอยู่แต่แต่ไม่ให้ทุกข์เพราะไม่ยึดติดความอร่อยนั้นก็เหมือนกับว่ากินป่าแต่ว่าก้างป้าไม่ตํำขออันนี้เป็นเป็นเป็นศิลปะการอยู่ในโลกบาีท่านก็เปลี่ยนมันก็ว่าอยู่ในอยู่ในปางูนะอยู่ในปา ก, ง, นะปากงูแต่ว่าไม่เป็นอันตรายอย่างลิ้งงูเนก็อยู่ในปากงูแต่ว่าไม่ ไม่โดนเขี่ยวมันทิมแทงเอาการอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยทุกข์ยังมีความสุขหรือว่าไม่ไม่เป็นทุกข์ก็เพเห็นนี้แหละอยู่ในโลกแต่อยู่เหนือโลกนะอยู่ในอยู่ท่ามกลางความทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่ใจไม่ไปยึดนั่นคือมั น, มนเพราะมีปัญญาแต่ปัญญาเกิดเพื่อก็ะทำเสรีสตินะเป็น เป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่จะดูและเห็นจนเกิดปัญญาได้